ไม่ทราบว่าได้มีการบอกเรื่องของการปิดโทรศัพท์มือถือกันหรือยังบอกกันแล้วนะขอให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพราะว่าสัญญาณของเสียงโทรศัพท์กับสัญญาณของเสียงธรรมมันจะชนกันแล้วมันจะทำให้คนฟังมันฟังไม่ได้เพราะเสียงมันไปรบกวนที่ตัวลำโพงที่รับ เสียงจากไมโครโฟนอีกต่อเนื่องนาท่านที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมบนเขาก็ขอให้ยึดเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมที่เราจะปิดสัญญาณมือถือกันเพื่อจะได้ไม่รบกวนสัญญาณด้วยกันและไม่รบกวนผู้ฟังเวลามีเสียงโทรเข้ามา ก็จะทำให้ทำลายบรรยากาศที่สงบเงียบทำให้เสียสมาธิในการฟังเทศน์ฟังธรรมได้ก็ขอใหอ้ทำความเข้าใจกันทุกท่านแล้วจะได้ไม่มีปัญหาตามมา การปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับการเดินทางบนทางถนนด้วยรถยนต์รถยนต์ก็จาเป็นที่จะต้องมีเชื้อเพลิงถึงจะสามารถขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้จิตใจของพวกเราที่ปรารถนาการ หลุดพ้นจากวัตตาสงสารคือวัตตาแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อไปสู่พระนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจของพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องมีเชื้อเพลิงเช่นเดียวกันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันที่จะกลับเคลื่อนจิตใจนี้เป็นคุณธรรม เรียกว่าอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่นี้เป็นเหมือนกับน้ำมันของรถยนต์เป็นน้ำมันของจิตใจถ้าเราจะให้จิตใจของเราเดินทางไปสู่พระนิพพานได้เดินทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องมีน้ำมันเติมให้แก่จิตใจ ต้องมีอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่นี้เป็นคำภาษาบาลีที่แปลว่าทางสู่ความยิ่งใหญ่อิทธิแปลว่ายิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางอิทธิบาทก็คือทางไปสู่ความยิ่งใหญ่ ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระนิพพานผู้ที่ต้องการที่จะไปพระนิพพานจึงต้องมีอิทธิบาทสี่กันอิทธิบาทสีนี้ก็เหมือนกับน้ำมันรถยนต์ที่สามารถไปจอดเติมกันได้ตามสถานีบริการต่งตางๆอิทธิบาทสี่พวกเราก็สามารถเติมกันได้ด้วยการไปสถานีบริการของจิตใจ สถานีบริการของจิตใจคืออะไรก็คือที่ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหะที่ที่มีการสั่งสอนมีการแสดงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่นั้นจะเป็นที่ที่เราจะสามารถเติมน้ํามันให้แก่จิตใจได้เติมอิทธิบาสีให้แก่จิตใจได้อิทธิบาสีคืออะไร ก็คือหนึ่งฉันทะแปบลบว่าความยินดีความพอใจสองวิริยะคือความพยันมั่นเพียรสามจิตตะคือความแน่วแน่แน่วแน่มั่นคงของจิตใจต่อการปฏิบัติและสี่วิมังสา คือความคิดใข้ครวนที่จะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัตินี่คือคุณธรรมสี่ประการที่เรียกว่าเอธิบาทสฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนนี้ก็ต้องเป็น ก็ทมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือพระอริยสงสาวกเป็นผู้แสดงถึงจะได้ทำแท้เหมือนกับน้ามันเราก็ต้องไปเติมน้ามันที่เป็นของบริษัทที่เขารับประกันว่าน้ำมันนี้ไม่ใช่น้ำมันเถื่อนน้ำมันปลอมน้ำมันที่ผสมน้ำหรือผสมสารอย่างอื่น พอเตือเข้าไปแล้วก็ทำให้รถ เ, เสียหายชำรุดการฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่ได้ฟังกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกผู้ฟังจะไม่ได้ทำแท้จะได้ทำที่ปลอมจะทำให้ไม่เกิดพลังให้แก่จิตใจ แต่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากพระอริยสงสาวก็ดีจะได้ได้ยินได้ฟังธรรมแท้ที่ฟังแล้วจะทำให้เกิดฉันทาขึ้นมาเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตามธรรมของตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่เรายังมีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกธทมนี้เราก็สามารถศึกษาได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะหาพระอริยสงสาวกมาแสดงธรรมให้กับเราเราก็ยังสามารถฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกที่ล่วงรับไปแล้วแต่มีการบันทึกไว้เป็นหนังสือต่างๆ เช่นหนังสือของพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆเช่นของหลวงปู่มั่นของหลวงปูงงป่ชาของพระอาจารย์มหาบัวเป็นต้นอันนี้เป็นคำสอนที่เป็นความจริงแท้ไม่มีความปลอมถ้าได้ศึกษาแล้วจะทำให้เกิด มีศรัทธามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามเพราะจะทำให้เกิดมีความมั่นใจว่าสามารถเป็นไปได้ทางที่ไปสู่การหลุดพ้นนี้ไม่ใช่เป็นทางที่เหนือบ่าฝ่าแรงของผู้ศึกษาของผู้ปฏิบัติและสามารถที่จะบรรลุถึงผลได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลย ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสร้างบุญสร้างบารมีกันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงต้องสร้างเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีที่เติมน้ำมันเหมือนพวกเรานั่นเองพระพุทธเจ้าต้องไปหาน้ำมันมาเติมกว่าจะหาได้ก็ต้องใช้เวลาบําเพ็ญกันเป็นเวลาอันยาวนานจึง จึงต่างกับจากพวกเราพวกเรานี้เป็นพวกที่โชคดีที่มีสถานีบริการเต็มไปหมดตามท้องถนนเวลาวิ่งไปน้ำมันขาดเมื่อไหร่ก็สามารถแวะเติมได้ทันทีแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ น, นีมไม่มีสถานีบริการที่จะให้พระองค์ได้เติมน้ำมันพระองค์จึงต้องไปขุดน้ำมันขึ้นมาเอง กดน้ํามันมากลั่นเองแล้วถึงเอามาใช้มาขับเคลื่อนพระไถยของพระองค์ให้ได้ออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ไปสู่พระนิพพานแต่พอพระองค์ได้ทรงบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานแล้วพระองค์ก็สามารถสร้างสถานีบริการขึ้นมาเป็นจํานวนมากด้วยการเอา วิธีที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติที่ทําให้พระองค์ได้ไปถึงพระนิพพานมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่มีความสามารถที่จะนําเอาไปปฏิบัติได้พอท่านเหล่านั้นนําเอาไปปฏิบัติก็สามารถบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ก็เลยกลายเป็นสถานีบริการขึ้นมาทันทีสามารถที่จะ แจกจ่ายน้ำมันที่จะใช้การขับเคลื่อนจิตใจให้ไปสู่พระนิพพานได้อย่างพวกเราก็โชคดีที่ตอนนี้ยังมีสถานีบริการอยู่หลายชนิดด้วยกันเช่นหนังสือธรรมะต่างๆหนังสือพระไตรปิฎกหนังสือคาสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ เล่หนังสือที่เรามารับไปอ่านนี้ก็มีหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ยังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอริยรสงฆ์อยู่ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากที่เราสามารถที่จะไปเติมพลังเติมน้ํามันให้แก่จิตใจได้ทุกครั้งที่เราไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากด็ดีจากพระอริยรสงฆ์สาวกก็ดี ใจิตใจของเราก็จะได้น้ำมันได้อิทธิบาสิขึ้นมาเพราะเวลาที่เราฟังแล้วมันจะทำให้เราเชื่อว่ า, าการปฏิบัตินี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและทรงสอนให้ปฏิบัตินี้สามารถทำนำพาผู้ปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนพอรู้ว่าทำแล้วจะไม่ไร้ผล ก็เกิดความยินดีเหมือนกับที่เราไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆเรารู้ว่าถ้าเราเรียนแล้วเราก็จะเรียนได้จบได้รับปริญญาเราก็มีความยินดีที่จะไปโรงเรียนทุกวันพอเราไปโรงเรียนทุกวันไปเรียนไปทำการบ้านไปสอบเราก็สอบผ่านสอบผ่านเราก็ได้รับปริญญากัน ทันใดคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับคำสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยถ้าเราศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายได้รับกันก็คือได้บรรลุมรรคผลผนิพพานเป็นขั้นขั้นไป มักมีมักผลนิพานมีอยู่สี่ขั้นคือโสตโสดาปฏิมักโสบโสดาปฏิผลสกิดาคาหมีมักสกิดาคามีผลอนาคาคามีมักอนาคาคามีผลอาหลัตตมักอาหลัตผลอันนี้เป็นมักผลมีสี่สี่มี8ดขั้น แล้พอถึงบรรลุถึงอารัตธรรมก็จะไปถึงพระนิพพานนี่คือนี่คือผลที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับถ้าได้ศึกษาและได้ทาได้ปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติเพราะเราจะ ได้รู้ถึงผลของการปฏิบัติว่าวิเศษขนาดไหนการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้มันวิเศษขนาดไหนมันก็เป็นการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปตามลำำําดับและหมดขิ้นไปในที่สุดนั่นเองมีใครอยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆ เ, เกิดแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บ ทุกกับความตายพอรู้ว่าเรามีโอกาสที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายพพชาติของเราที่มีจํานวนมากมายที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้จะเริ่มนับถอยหลังจํานวนถอยหลังได้เลยพอได้บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันนี้พบชาติ ที่จะมาเกิดในภพของมนุษย์นี้ก็เหลือแค่เจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วพอปฏิบัติขึ้นสู่ขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคามีมักสกัสกสกิคาคานีผลก็จะได้ลดเหลือภพชาติเพียงหนึ่งชาติจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวแล้วถ้าขึ้นสู่ขั้นที่สามขั้น อาคามีมัคอาณาคามีผลได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะใฝปฏิบัติทำอยู่ในชั้นพรหมจนบรรลุขั้นที่สี่คือขั้นของพระอรหันต์อรหัตมัคอรหัตผลพอได้ขั้นอรหัตมัคอรหัตผลแล้วก็ ก็ทำให้พบชาตินี้หมดไปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในตายภพอีกต่อไปตายภบก็คือพบของมนุษย์พพของเทวดาพบของพรหมพบของเดละฉานพบของเปรตพพของสุลกายอสุลกายและพบของนรกนี่เองจะไม่ต้องมาเกิดอยู่ในพบเหล่านี้ต่อไป บุญกรรมที่เคยได้ทําไว้มากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีผลที่จะดึงจิตใจให้กลับมาเกิดในตายพบนี้ได้อีกต่อไปถ้าได้ไปถึงพระนิพพานหรือถ้าได้ไปถึงขั้นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกมามะพบคือพบของมนุษย์ยังต้องไปเกิดใน รูปประพบหรืออารูปประพบคือพบของพรมแล้วก็พอได้ปฏิบัติต่อไปก็จะได้ไปถึงพบของพอระอริของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกคือพบที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเพราะไม่มีการเกิดนั่นเองไม่มีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกาย กไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายพอเราได้ยินได้ฟังทรรมถึงผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติเราก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาหนึ่งในอิทธิบาสีความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทาทานก็ยินดีที่จะทาทานสอนให้ รักษาศีลก็จะยินดีรักษาศีลสอนให้ภาวนาก็จะยินดีภาวนาพอมีความยินดีก็จะมีความเพียรตามมาความขยันหมั่นเพียรขยันทำทานขยันรักษาศีลขยันภาวนาแล้วก็จะมีจิตตะใจที่แน่วแน่ต่อการทำทานต่อการรักษาศีลต่อการภาวนา จะไม่ทะเลทลเฉยใช้ไปทางอื่นจะแน่วแน่จิตตะไปลว่าใจจดจอ่อตั้งมั่นอยู่กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวจะมีใครมาชวนไปเที่ยวไปทำธุรกิจไปหาเงินหาทองไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ไป เพราะใจมีความแน่ว แ, แน่ต่อการทำทานต่อการรักษาศีลต่อการภาวนาเช่นวันหยุดวันไม่ต้องทำงานแทนที่จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันก็จะไปวัดกันไปอยู่วัดไปทำทานไปรักษาศีลไปภาวนานี่คือจิตตะความแน่ว แ, แน่ของจิตใจต่อ การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อว่าเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วจะได้ผลอันเลิศอันวิเศษที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมอบให้กับผู้ปฏิบัติได้ต่อให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ไม่สามารถที่จะทาให ไปถึงพระนิพพานได้ไม่สามารถทําให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่การไปพระนิพพานนี้เท่านั้นและการจะไปได้ก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ใจก็เลยมีความแน่วแน่มั่นคงต่อการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะมาสามารถ ดึงจิตใจให้ออกไปจากทางนี้ได้ยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีชายคนหนึ่งมีศรัทธาที่จะออกบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาแต่เป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้บวชเพราะว่าถ้าบวชแล้วจะไม่มีใครรับ ม, ดมรดก ไม่รู้จะไปให้ใข่เสียดายเงินทองอุตส่าห์ทมาหาไดมาแทบเป็นแทบตายพอตายไปจะต้องกลายเป็นของคนที่เขาไม่รู้จักเราก็เสียดายไม่เยามให้ลูกบวชแต่ความแน่วแน่ของลูกต่อการบวชต่อการปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่พระนิพพานทำให้เธออดอาหาร ถ้าไม่ได้บวชเธอก็จะไม่รับประทานอาหารยอมตายพ่อแม่เมื่อเห็นความแน่วแน่ของลูกตอนต้นก็พยายามให้เพื่อนของลูกๆมาชวนให้เลิกความตั้งใจอันนี้ให้อย่าเพิ่งไปบวชแต่ลูกชายนี้มีความแน่วแน่มีความอยากจะบวชเพียงอย่างเดียว อยากจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและได้บรรลุผลคือพระนิพพานก็อยากจะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับก็ไม่ยอมอดไม่ยอมหยุดอดอาหารยอมตายถ้าไม่ได้บวชเนี่ยนที่สุดพ่อแม่ก็ต้องยอมแพ้อันดุญาให้บวชได้ เพราะการบวชนี้จะบวชได้ก็ต้องรับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตก็บวชไม่ได้นี่คือความแน่วแน่ของจิตใจของชายคนนี้ที่หลังจากได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเกิดความยินดีฉันทะวิริยเกิดความเพียรพยายาม ที่จะปฏิบัติตามให้ได้จึงทำให้เกิดมีจิตตะคือความแน่วแน่มั่นคงต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงทำให้เธอสามารถที่ออกบวชและปฏิบัติได้และหลุดพ้นได้ตามลาดับอันนี้คือคุณสมบัติขั้นข้อที่สามก็คือจิตตะความแน่วแน่มั่นคงของจิตใจของผู้ปฏิบัติ ต่อการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วข้อที่สี่ก็คือวิมังสาคือความคิดไข้ควรก็จะคิดแต่เรื่องปฏิบัติเรื่องทำบุญทำทานเรื่องรักษาศีลเรื่องภาวนาจะไม่คิดถึงเรื่องการหาเงินหาทองไม่คิดถึงเรื่องการหาตําแหน่งหา หาความสรรเสริญเยนยอหาความสุขทางร่างกายเช่นหาแฟนหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เลยจะคิดแต่ว่าจะทำทานได้มากน้อยเท่าไหร่จะรักษาศีลได้มากน้อยเพียงไรจะภาวนาได้มากน้อยเพียงไรตอนนี้ทำได้เท่าไหร่แล้ว ต้องทําเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็จะคิดจะจะทําเพิ่มให้มากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นอาจจะทําได้เพียงร้อยละสิบทาทานได้ร้อยละสิบของเงินทองที่เรามีอยู่สมบัติเรามีอยู่เรามีล้านหนึ่งเราก็แบ่งไปร้อยละสิบก็คือแสนหนึ่งต่อมาก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบทาสงแสนต่อมาก็ร้อยละสามสิบศีลก็รักษา เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็อาจจะรักษาได้บางวันบางวันก็รักษาไม่ได้ต่อมาก็รักษาได้ทุกวันพอรักษาได้ทุกวันก็เพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความคิดจะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปมากยิ่งขึ้นไปตามลําดับจนถึงการปฏิบัติได้เต็มร้อย เมื่อเราปฏิบัติได้เต็มร้อยแล้วก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุ ป, ปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนเมื่อได้ปฏิบัติเต็มร้อยแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปนี่คืออิธิบาทสี่ที่จะเป็นพลังที่จะผลักดันให้จิตใจ นั้นได้ไปสู่จุดหมายปลายทางของผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ปรารถนาที่จะไปสู่พันิพภานจำเป็นจะต้องมีอิทธิบาทสี่ดังนั้นถ้าท่านที่ปฏิบัติยังไม่มีฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาก็แสดงว่าท่านยังไม่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมเท่าที่ควร คนที่จะฟังบ่อยๆฟังให้มากๆฟังหรืออ่านไม่ต้องมาที่วัดฟังก็ได้เดี๋ยวนี้มีการถ่ายทอดสดให้ฟังอยู่ทุกวันอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามฟังได้นอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือธรรมะต่างๆที่เราสามารถที่จะค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตก็ได้ อย่างนี้มีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งมี Wi-Fi ก็สามารถที่จะเตามอิทธิบาทศีได้อยากจะอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ค้นคว้าหาพระสูตรต่างๆเช่นธรรมจักกัปปวัตนนสูตรก็เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าก็สงสอนมัก ทางไปสู่การหลุดพ้นก็คือศีลสมาธิปัญญานี้หรือทานศีลภาวนานี้เองแล้วก็ส่งสอนในพระสติปัฏฐานสูตรวิธีเจริญสติวิธีเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราสามารถที่จะอ่านธรรมะเหล่านี้ได้ อ่านธรรมะอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มันเหมือนกับได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์เลยถึงแม้ว่าพระองค์จะจากพวกเราไปตั้งสองพันห้ารอกว่าปีแล้วแต่คําสอนเหล่านี้เป็นคําสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าและรับได้รับการถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้พอได้อ่านพระสูตรเหล่านี้ก็เหมือนกับได้ฟัง เทศจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจให้การศึกษากันถ้าเรายังไม่มีไฟยังไม่มีน้ำมันที่จะผลักดันจิตใจของพวกเราให้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาลองอ่านพระสูตรของพระพุทธเจ้าดูอ่านคำแปลอย่าไปอ่านคำบาลีที่เราไม่เข้าใจ อ่านต้องอ่านแล้วให้เกิดความเข้าใจถ้าอ่านแบบที่ไปสวดกันสวดธรรมจักสวดอะไรเหล่านี้มันจะไม่ได้ปัญญาจะไม่ได้ความรู้ความเข้าใจจะไม่ได้ฉันทะวิริยะจิตตามังสาจะเป็นเหมือนโนกแก้วที่น้องแก้วจา๋าแก้วจา๋าแต่ไม่รู้ว่าแก้วนั้นเป็นอย่างไรเวลาหยิบแก้วให้ก็โยนทิ้งไป อาแต่กล้วยจ๋ากล้วยจ๋าอันนี้ก็เหมือนกันสวดไปแต่พอถึงเวลาก็จะเอาราบยศสรรเสริญจะไม่เอามรรคผล น, ผนิพพา น, นเพราะว่าสวดแบบไม่เข้าใจว่าสวดไปเพื่ออะไรนนสวดไปเพื่อให้รู้วิธีการปฏิบัติที่จะทำให้ได้มรรคผลนผิพพานนั่นเองแต่ถ้าสวดเป็นภาษาบาลีก็จะไม่เข้าใจความหมาย เมื่อไม่เข้าใจความหมายก็ไม่จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะไม่เกิดผลไม่เกิดความยินดีที่จะปฏิบัติปฏิบัติแล้วไม่เกิดผลมันก็เลยไม่มีกำลังใจเหมือนกับทำงานแล้วไม่ได้เงินเดือนใครทำงานแล้วไม่เงินเดือนยังอยากจะดันทุลังทำต่อไปหรือไม่ไม่ทำดีกว่าทำก็ไม่ได้เงินเดือนไม่ทาก็ไม่ได้เงินเดือน ทำไปทำไมเ yeah. ออก็เหมือนกันกับผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิบัติแล้วไม่เกิดผลก็ไม่รู้จะปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติก็ไม่เกิดผลไม่ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลสู้ไปนั่งกินเหล้าเล่นไพ่ดีกว่าไปดูทีวีไปเที่ยวดีกว่าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าปฏิบัติกันแบบไม่ถูกต้องไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง อย่างพวกที่ส่งคาถามเข้ามาเรื่อยๆว่านั่งสมาธิปับ๊บเห็นหนูน่นเห็นนี่ขึ้นมาทันทีเนี่ยนั่งแบบนั้นมันถึงมันถึงไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่าการนั่งสมาธินี้นั่งเพื่ออะไรการนั่งสมาธินี้ก็เพื่อควบคุมจิตใจให้มันหยุดคิดปรุงแต่งหยุดผลิตเงาต่างๆขึ้นมาหลอกใจนิมิตต่างๆ เสียงหรือสีหรือกลิ่นหรืออะไรต่างๆที่โผล่ขึ้นมาในขณะที่กําลังปฏิบัตินี้มันเป็นผลของการที่ไม่ได้ควบคุมบังคับใจด้วยสตินั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ปล่อยให้มันจินตนาการคิดปรุงแต่งผลิตนิมิตต่างๆผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกใจอันนี้เรียกว่าไม่เคยศึกษาวิธีนั่งสมาธิกันมาก่อนะ คิดว่าวิธีนั่งสมาธิง่ายนั่งหลับตาแล้วก็ดูจิตให้ดูจิตดูว่ามันจะผลิตอะไรขึ้นมาดูแล้วก็จิตก็ไม่เคยสงบมีแต่ฟุง้งซ่านไม่มีความสุขไม่มีความปิติยินดีอะไรจากการได้นั่งเลยแล้วก็ไปวาดภาพว่าเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นนิพพานขึ้นมา อันนี้แหลมันถึงทําให้นั่งแล้วมันไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะนั่งเพราะมันไม่มีผลผลที่จะทําให้เรามีกําลังจิตกําลังใจก็คือความสงบของจิตเวลาจิตสงบแล้วนี่มันมีความสุขมากความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังอันนี้จะเกิดจากการที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องวิธีนั่ง ที่ถูกต้องต้องนั่งด้วยการมีสติกำกับควบคุมบังคับความคิดปรุงแต่งของใจจะใช้สติแบบไหนก็ได้สติมีอยู่4ี่สิชนิดด้วยกันจะใช้อนาปันสติก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไปลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาว ใจละเอียดลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมยังหยาบอยู่ก็รู้ว่ายังหยาบอยู่ลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องปรุงแต่งไปว่าไม่มีลมหายใจแล้วจะต้องตายไม่ตายลมเพียงแต่ว่ามันละเอียดจนที่เราไม่สามารถที่จะไปไปจับมันได้ก็ให้รู้ว่าตอนนี้มันจับลมไม่ได้แล้วก็ให้สักแต่ว่ารู้ไป รู้เฉยๆไม่ต้องคิดปรุงแต่งอย่าคิดปรุงแต่งอย่าวิตกอย่าวิจารแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะวุบลงไปเองเข้าสู่ความสงบนี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องจะต้องได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก่อนว่าวิธีปฏิบัตินั้นปฏิบัติอย่างไรออปฏิบัติแล้วจะได้ได้ผลที่คนจะได้รับ ไม่ใช่ผลที่ไม่ควรจะได้รับคือนิมิตต่างๆหรืออะไรต่างๆที่โผล่ขึ้นมาภายในใจในขณะที่นั่งสมาธิไม่ได้ให้นั่งดูอะไรให้ดูลมหายใจหรือถ้าไม่ใช้ลมหายใจก็ถ้าใช้คําบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไป เดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองพอสงบแล้วก็จะมีความสุขมากมีใจที่เป็นกลางที่เรียกว่าอุเบกขาไม่มีความรักชังกลัวหลงอยู่ในขณะนั้นเวลานั้นอะไรจะมาสัมผัสก็จะรู้สึกเฉยๆกับต่อสิ่งต่างๆแล้วพอออกจากความสงบมา ก็จะพยายามรักษาความสงบให้อยู่ต่อไปด้วยการใช้ปัญญาปัญญาจะคอยกำจัดศัตรูผู้ที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิศัตรูที่จะมาทำลายความอยากความความสงบก็คือความอยากต่างๆนี้พอออกมาปับ๊บพอเห็นขนมปั๊บเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาตัดความอยากนั้นไปว่าอยากไปกิน อย่าไปกินเพื่อความอยากถ้ากินเพื่อดูแลร่างกายนี่กินได้แต่ต้องกินตามเวลากินตามปริมาณที่พอควรไม่ได้ไม่ได้หม่ำเอาสววาปลาเมากินจนกระทั่งคางก็ตรงขึ้นมาปากท้องก็ตรงขึ้นมาอันนั้นไม่ได้กินด้วยปัญญากินด้วยตัณหากินด้วยกิเลส ก็จะไปทำลายความสุขความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิมาก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่เพื่อสร้างความสงบใหม่หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไม่ทำตามความอยากต้องเห็นว่าการทำตามความอยากเป็นการทำลายความสงบของใจได้เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพราะสิ่งที่ได้มานี้มันจะหมดไป พอเวลามันหมดมันก็จะทำให้ใจเสียใจนี่คือผลที่จะได้รับจากการที่เราศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกถ้าเราไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงเราก็เหมือนกับไปเหมือนก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดไปศึกษากับคนตาบอด คนตาบอดจะสอนคนตาบอดได้อย่างไรต้องคนตาดีถึงจะสอนคนตาบอดได้ถึงจะพาคนตาบอดไปสู่ทางที่คนตาบอดคนตาบอดต้องการจะไปได้ถ้าคนตาบอดสอนคนตาบอดก็หลงทางด้วยกันทั้งคู่แทนที่จะพาไปสู่พระนิพพานก็จะพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด แทนที่จะทำให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็อาจจะเกิดความเสื่อมศรัทธาเกิดความไม่ยินดีต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติเพราะปฏิบัติไปแล้วไม่ได้รับผลนั่นเองจึงจาเป็นที่จะต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะสามารถได้ทำแท้ได้ทำที่จะพาให้เรา ได้ไปสืบมรรคผลนิพพานได้เป็นธรรมที่จะทําให้เรามีพลังมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในสมัยพระพุทธการจึงไม่ใช่เป็นของแปลกที่มีคนบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจํานวนมากเพราะผู้สั่งผู้สอนนี้ทุกคนเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงเป็นผู้บรรลุก่อน เมื่อบรรลุแล้วก็ส่งเอาธรรมนี้มาเผยแผ่แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุพอผู้ที่ไม่บรรลุได้ได้ยินได้ฟังก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป็นพระอาลันตาสาวกขึ้นมาภายในระยะเวลาแปดเดือนแรกนี้มีพระอาลันตาสาวกปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปในวันเพ็ญเดือนสามที่พระพุทธเจ้า ที่เราเรียก่็วันมาค้าบูชานี่มีพระสาวกพระอาลันตัสสาวกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปจากทุกสารทิตโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนพระอาลันตสาวกทั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนี้เป็นผู้ที่บรรลุธรรมจากการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้ได้ได้บวชกับพระพุทธเจ้า ได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยการบวชของพระพุทธเจ้านี่คือผู้ที่รู้จริงเห็นจริงท่านเหล่านี้ก็ไปเผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้พอผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็เกิดสัตตกันมาขอบวชกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีผู้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมาก เพราะสมัยนั้นเป็นธรรมที่เผยแพ่สั่งสอนนี้มันเป็นธรรมแท้ธรรมจริงผู้ใดที่นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลอย่างอย่างแน่นอนไม่เหมือนกับสมัยนี้ธรรมนี้มันกลายเป็นธรรมปลอมกันไปเสียเยอะเพราะผู้แสดงธรรมนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเป็นผู้ที่อาจจะได้ศึกษามาบ้าง จากแหล่งที่ถูกต้องบ้างก็มีจากหล่งที่ไม่ถูกต้องก็มีแล้วพอมาสอนบางทีก็เอาความรู้ความเห็นของตนมาผสมประสานด้วยก็เลยทำให้ทำแท้นี้กลายเป็นทำปลอมไปได้เหมือนกับเอาน้ํามันแท้มาผสมกับน้ํามันปลอมแล้วก็เอามาขายเพื่อจะได้กาไรอันนี้คนพอเติมน้ามันปลอมเข้าไป รถมันก็วิ่งไม่ได้รถก็เสียกันฉันใดาการที่ฟังธรรมจากผู้ที่ไม่ได้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติถึงแม้ว่าจะศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ตามแต่พอเอามาแสดงนี้ความจำที่จำได้จากการศึกษามันอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้และอาจจะเอาความเห็นของตนเข้ามาผสมประสานได้ก็จะทำให้ ไม่เป็นธรรมแท้ขึ้นมาแล้วพอนำเอาไปปฏิบัติแทนที่แทนที่จะได้ผลมันก็ไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผลมันก็ไม่มีฉันทะวิรยิยะจิตตวิมังสาเหมือนทํางานแล้วไม่มีไม่มีเงินเดือนไม่ได้เงินเดือนเรื่องได้ไม่เท่ากับที่ได้ตกลงไว้ก่อนทํางานก็ตกลงว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้พอเวลาทําไปแล้วจ่ายเพียงครึ่งเดียว อย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่อยากจะทำนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็จะไม่มีความยินดีที่จะปฏิบัติอีกต่อไปความเพียรก็จะไม่มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงต่อการเพียรก็จะหายไปความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติก็จะหายไปก็เริ่มคิดแล้วว่าจะไปทำอะไรดี เมื่อปฏิบัติไม่ได้ผลจะทํำยังไงดีออไปทํางานดีไหมไปหาเงินหาทองดีไหมไปหาสามีหาภรรยาดีไหมนี่มันก็จะคิดไปทางนั้นทันทีในเมื่อในทางธรรมมันไม่ได้เกิดผลมันก็จะไม่อยากจะมาในทางธทำแต่ถ้าได้ศึกษาจากแหล่งที่แท้จริงแหล่งทำที่แท้จริง พอนําเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลทันทีพอได้เห็นผลก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาที่จะปฏิบัติให้เมื่อให้มีมากขึ้นไปให้มีผลเกิดมากขึ้นไปตามลําดับเนี่ยพอปฏิบัติมากขึ้นผลก็เกิดมากขึ้นอิธิบาสีก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นความเพียรก็จะมากขึ้นฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติก็มากขึ้นจิตต์ ความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติก็จะมากขึ้นวิมังษาความคิดก็จะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติมากขึ้นไปตามลำดับจะไม่คิดไปในทางอื่นเลยเมื่อมีอิทธิบาทศีเต็มที่การปฏิบัติก็จะเต็มที่ศีล ส, สมาธิก็จะเต็มที่มาผลนิพพานก็จะเต็มที่ตามมาเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนกันนั่นเอง เหมือนกับร่างกายของเราที่จะเติบโตขึ้นมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะมีการกินกันอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดกินเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยอดข้าวกันบ้างเคยหยุดกินกันบ้างไหมจะหยุดสักสามวันห้าวันกันมีไหยไม่มีมีแต่กินมากกว่าที่ควรจะกินเสียได้ซ้ำไปร่างกายมันถึงใหญ่โตมากกว่ามันที่มันควรจะเป็นไปน ร่างกายพองกันเป็นตุ่มขึ้นมาก็เพราะความขยนันกินนี่แมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสากับการกินกันร่างกายถึงถึงเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นตุ่มกันแต่จิตใจนี้ผรอมแห้งแรงน้อยเหมือนกับขอทานเพราะจิตใจไม่ได้รับธรรมเลยเมื่อแต่ไปให้ความสำคัญต่อการหาความสุขทางร่างกายกัน บำรุงทำนุบำรุงร่างกายกันยิ่งกว่าอ่าอะไรทั้งทั้งหมดเนี่ยการดูแลรักษาร่างกายนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการทำนุบำรุงดูแลรักษาร่างกายแต่จิตใจที่มีความสําคัญต่อ่างกายกว่าหลายสิบหลายร้อยเท่ากับไม่ได้รับการดูแลเลย ใจิตใจที่จะพาให้ไปพานิพานนี้ไม่ไม่ได้รับการดูแลเลยเพราะมัวแต่ไปดูแลร่างกายร่างกายดูแลไปก็พาเราไปสู่เมรุท่านั่นแหะไม่ได้ไปไหนจุดหมายปลายทางของร่างกายก็คือเมรุหรือหลุมฝังศพหรือสุสานไม่ได้ไปที่ไหนจะไปทานุบำรุงมันให้มันวิจิตพิสดารกันทาไม สิ่งที่ควรจะทำนุบำรุงอย่างวิจิตพิสดารก็คือจิตใจกับไม่ทำกันเพราะถ้าเราได้ทำนุบำรุงจิตใจอย่างเต็มที่เราก็จะได้ไปสู่พระนิพพานกันเราก็จะได้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือความหลงความเข้าใจผิดแทนที่จะให้ความสำคัญกับจิตใจเรากลับไปให้ความสำคัญต่อร่างกาย แล้วก็ดูแลรักษาร่างกายอย่างเต็มที่แตธรรมชาติของร่างกายนี้มันจะไม่มีวันที่จะอยู่ไปได้ตลอดมันจะต้องมีวันแก่วันเจ็บและวันตายไปในที่สุดไม่ว่าจะดูแลเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปแต่จิตใจนี้ไม่มีวันแก่เจ็บตายแต่กลับไม่ได้รับการดูแล ปล่อยปะละลเลยหรือพระทําลายจิตใจด้วยการกระทําที่ทําให้เกิดโทษแก่จิตใจเช่นการทําบาปต่างๆทําแล้วก็ต้องพาให้จิตใจต้องไปรับผลกรรมผลบาปในนรกในอบายแทนที่จะทําให้จิตใจได้ไปรับผลบุญได้ไปพระนิพพานกับไม่ทํากันเพราะมือแต่ไปใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเลี้ยงดูร่างกายและการหาทรัพยากรต่างๆมาใช้กับร่างกายเพื่อที่จะทําให้มีความสุขทางตาหูจมกูกมือกายแล้วก็ทําโดยที่ไม่คํานึงถึงว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปอยากจะได้อะไรก็ทําถ้าต้องทําบาปก็ยินดีที่จะทําเอำ นี่แหละเป็นการที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจด้วยความหลงคิดว่าการหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงซึ่งความจริงแล้วมันเป็นการหาความทุกข์ที่แท้จริงเพราะความสุขทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจร่างกายจะสบายอย่างไรแต่จิตใจนี้อาจจะตกนรกทั้งเป็นก็ได้ เวลาใจมีความทุกข์นี่บางทีร่างกายนิสุขสบายไม่เป็นอะไรเลยแต่ใจทุกข์ถนกับขั้นต้องท่าตัวตายไปเพราะทนอยู่กับความทุกข์ของใจไม่ได้ ท, ที่ทุกข์ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นปกติแต่ใจทุกข์เพราะต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปสูญเสียสิ่งที่ชอบไปก็เลยทำให้ไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็เลยต้องฆ่าตัวตาย อันนี้ก็เป็นเพราะว่ามัวแต่ดูแลร่างกายแต่ไม่ได้ดูแลจิตใจนั่นเองพอเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้จิตใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่รู้จักวิธีที่จะกาจัดมันก็เลยคิดว่าการฆ่าร่างกายนี้เป็นการกาจัดความทุกข์ทางใจซึ่งมันไม่ได้เป็นเพราะความทุกข์ทางใจมันไม่ได้เกิดจากร่างกายมันเกิดจากกิเลสตัณหา าจะฆ่าต้องฆ่ากิเลสตัณหาความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงแต่ไม่ฆ่าไปฆ่าร่างกายความทุกข์ก็ยังอยู่ต่อไปร่างกายตายไปความโลภความโกรธความหลงก็ยังอยู่ในจิตใจก็พาให้จิตใจต้องไปทุกข์ในอบายทุกข์ในนรกต่อไปนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากัน ถ้าศึกษาตั้งใจศึกษาจริงๆแล้วก็จะรู้ว่าควรจะต้องปฏิบัติอะไรกันเมื่อได้รู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอะไรแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับประโยชน์ได้รับผลขึ้นมาตามลำดับฉันทะวิริยะจิตตะวิบงังสาก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับการปฏิบัติก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ จนถึงขั้นเต็มที่ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุยายสามิจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเต็มที่แล้วก็จะได้มรรคสีผล4ีนิพพานหนึ่งนั่นเองนี่คือเรื่องของการสร้างหรือเติมพลังให้แก่จิตใจเติมอิทธิบาทสีให้แก่จิตใจ ด้วยการหมันศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีคำสอนของพระ อ, อ, อ, อริยสงสารก็ดีแล้วมันจะจุดประกายในใจให้เกิดขึ้นมาทำให้เกิดความยินดีที่จะปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นประกายที่ใหญ่ขึ้นไป ทำให้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้รับผลกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้รับกันคือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการบรรลุถึงพระ น, นิพพานที่เป็นที่มีแต่ความสุขไม่มีแต่ความทุกข์ไปไม่มีวันสิ้นสุด การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่ออท่านที่มาที่หลังมาขณะที่กำลังแสดงทมขอความกระวาอย่าเข้ามาที่ศาลานี้ขอให้นั่งที่อื่นไปก่อนเพราะเวลาเข้ามาแล้วมันมารบกวนการแสดงเพราะมันมาแล้วมันมาส่งเสียง ยิ่งเวลามาที่กําลังแสดงทำอยู่ขอความกรุณาอย่าเข้ามาที่ศาลารอให้แสดงทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ามาอย่างตอนนี้ใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้อตอนนี้เป็นเวลาที่อย่าให้เข้ามาถวายข้าวของหรือ ม, มารับหนังสือซีดีต่างๆเอเชิญเข้ามาได้ขอให้เข้าทางด้านหลังออกทางด้านหน้าอย่าเดินย้อนสอนเพื่อจะได้สะดวกรวดเร็ว แล ะ, ะไม่เสียเวลาไม่ต้องกราบไหว้ก็พอแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการฟังสนทนาธรรมกันอีกช่วงหนึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบปัญหา นันอยากจะถามถามตอนนี้ได้มีไมโครโฟนฮะ ห, หยิบขึ้นไปแล้วก็ถามได้เลยพูดใกล้ๆก ล, กล้ปากเลยเปิดไมโครโฟนได้ยังยังถามพระอาจารย์เจ้าค่ะใกล้ๆ้หน่อยเสียงว่า พอดีว่ามีเพื่อนมีสามีของเพื่อนค่ะเขากำลังจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทีนี้ก็ก็เลยบอกว่าให้เพื่อนเนี่ยรอฟังพระอาจาย์ค่ะเพราะว่าเพื่อนก็สงสัยว่าในขณะเวลานี้เนี่ยควรจะเหมือนปล่อยให้เขาเงียบเงียบหรือว่าจะไปสวดมนต์หรือว่าจะไปพุดโธนาจิตเขาดีค่ะไม่ควรที่จะไปรบกวนเขาถ้าเขาจะพูดโธก็ให้เขาพูดโธเขาเอง เขาจะสวดมนต์ได้เขาสวดเองแต่เราไม่สามารถไปพุทธท้เขาได้ไปสวดให้เขาได้งั้นอยู่ที่จิตใจของเขาว่าตอนนั้นจิตใจเขาต้องการต้องการอะไรแ้เขาต้องการความสงบไม่ต้องการให้ใครมารบกวนก็อย่าไปรบกวนเขาแล้วเขาเฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่า การทําใจให้สงบนี้ต้องทําเองคนอื่นมาทำให้กันไม่ได้คนอื่นมา ท, ทําแทนที่จะสงบกลับเป็นการมาสร้างความําคาญมารบ ก, กวนจิตใจเขานอกจากเขาต้องการเขาบอกว่าช่วยมานั่งข้างๆมาพุโทโธให้ฉันฟังหน่อยก็ไปพุโทโธให้เขาฟังเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้ขอร้องไม่ได้บอกอะไรอยาไปยุ่งกับเขา <Okay. S 1> อปล่อยเขาตามตามธรรมชาติของเขาเลยเขาอยู่เฉย นั่นแหละคือการความสงบแล้วถ้าเขาไม่เรียกร้องอะไรแสดงว่าเขาไม่มีปัญหาอะไระะก็ปล่อยเขาอยู่ในความสงบของเขาไปถ้าในกรณีของผู้ป่วยที่ไม่มีสติอยู่แล้วคะ่ะพระอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้แนละ้วก็เหมือนคนนอนหลับนะก็ต้องเป็นไปตามบุญตามบาปที่ได้ทําไว้ทําอะไรต่อไปไม่ได้แนละ้วคนที่ยังมีสติยังมีชีวิตนี้ยังสามารถทําอะไรได้ ยังสร้างบุญสร้างกุศลยังสร้างความสงบให้แก่จิตใจได้แต่ถ้าพอหมดสติไปแล้วก็เหมือนคนนอนหลับไปแล้วไม่สามารถที่จะปฏิบัติทําได้ดงั้นพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นคนรที่จะรีบทำกันเลยแต่ ต, อ, ตอนนี้ตอนนี้พวกเราปฏิบัติทํากันได้สร้างธรรมขึ้นมาสร้างความสงบให้เป็นที่พึ่งของจิตใจได้ อย่าไปรอตอนถึงเวลาที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเพราะตอนนั้นจะไม่มีกําลังที่จะทําอะไรค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวพื่ของเพื่อนเองกับกับลูกกับลูกซึ่งยังเล็กนะคะก็เพื่อนก็เหมือนอยากอยา ก, อยากที่จะได้ข้อคิดจากพระอาจารย์ค่ะก็ในเวลาแบบนี้ที่ อ, อจะวางใจยังไงอ่ะค่ะอก็คิดว่าทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายด้วยกันทุกคนยิง่ง พยายามเตรียมตัวตายกันศึกษาหาวิธีตายกันอย่างสบายตายอย่างแบบไม่ต้องทุกข์พยายามเข้าหาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วปฏิบัติตามแล้วพอถึงเวลาตายจะตายอย่างสงบจะตายอย่างสบายไม่มีใครหนีพ้นความตายได้เอาความตายของคนอื่นนี้มาเป็นเครื่องเตือนสติให้เรารู้ว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขา แล้เราจะได้เตรียมตัวสร้างเกาะคุ้มกันใจขึ้นมาเพื่อเวลาที่เราตายไปใจของเราจะได้ไม่สะทกสะท้านไม่หวาดกลัวไม่เดือดร้อนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เหมือนเกาะคุ้มคลองใจให้พยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะแล้วพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วเราจะมีเกาะคุ้มคลองจิตใจ เวลาร่างกายเป็นอะไรไปนี้จะไม่มาสะเทือนใจเลยกลับจมัดการพระอาจารย์ครับขออนุญาตพระอาจารย์อธิบายเรื่องของวาระสุดท้ายของจิตนะครับที่กลับวิบากก่อนเปลี่ยนภพชาตินะครับผมเอาจิตไม่มีวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายคือร่างกายครับก่อนเปลี่ยนภพชาตินะครับผมก็ไม่หายใจกันพอหยุดหายใจก็ก็จบจิตก็ไปต่อ ไปตามบุญตามบาปที่ได้ทําไว้ถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็ไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็ไปอบายไปนรกงันเราต้องรีบสร้างบุญให้มันมีมากกว่าบาปพอเวลาตายมันจะได้ไปสวรรค์หรือไปนิพพานกันอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านสร้างบุญจนถึงขั้นฟ้นนานิพพานพอร่างกายท่านตายปุ๊บจิตของท่านก็ไปนิพพานเลย ก ร, กระบวนการมันคือรับกรรมอตอนก่อนที่จะขันขันจะขันจะแตกสลายครับอ๋อมันรับกรรมตลอดเวลาตอนนี้คุณก็รับกรรมเวลา ค, คุณทุกข์ใจนี่ก็เป็นวิบากกรรมของของบาปของกิเลสตัณหาละเวลาคุณสุขใจคนก็รับวิบรับผลของบุญที่คุณทั้งหมดไปอวาระจิตสุดท้ายนั้นก็รับ ต่อไปตามภพชาติไปที่ไหนก็จิตตามไปใช่ครับอาจารย์ตามที่เราได้สะสมวัตถุที่เราสะสมไวปครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ันรีบสะสมบุญเยอะๆขอบคุณครับอาจารย์ทําตามพระเจ้าสอนละกางกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปจิตจะได้ไปดีนะ คำถามจาก facebook ค่ะจากตามรอยพระป่าผมเป็นพระบทใหม่ทุกวันนี้ผมฉันอาหารมื้อเดียวอยู่ครับเวลาไม่สบายหมอบอกให้ฉันยาสามเวลาเราจะฉันอาหารมื้อเย็นได้หรือเปล่าครับฉันก็ผิดพระวินัยนั่นเองเราก็ต้องเลือกระหว่างหมอกับพระวินยัยว่าเราจะเชื่อใครถ้าเราเชื่อหมอเราก็เราก็ผิดพระวินยัย ถ้าเราเชื่อพระวินัยแล้วก็ผิดหมอแล้วแต่เราจะเชื่อใครอันนี้มันจะทําทั้งสองอย่างจะเชื่อทั้งสองคนไม่ได้เพราะสองคนนี้สอนไม่เหมือนกันพระวินัยสอนให้รักษาใจหมอสอนให้รักษากายถ้าเราต้องการรักษาใจเราก็เชื่อพระวินัยยอมตายถ้าเราเชื่อหมอเราก็ทิ้งพระวินัยแล้วก็ อยู่ต่อไปแต่อาจจะอยู่ไปก็ตายเหมือนกันตายโดยที่ไม่มีพระวินยัยก็จิตก็จะไม่ได้เจริญเติบโตไปในทางที่ดีพระวินัยนี้จะเป็นเหมือนปุ๋ยที่จะหลอเลี้ยงจิตใจให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปสู่พระนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดครูบาอาจารย์ท่านถึงมากจะไม่รักษากับหมอมากนะเพราะท่านรู้ว่าหมอมันจะต้องทําให้ท่านผิดศีลท่านไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาล พอเดี๋ยวก็นางพยาบาลก็จะมาแตะต้องเนื้อท่านพอท่านให้แตะก็หาว่าท่านดือ้อเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นพระวินยัยพระสององค์เจ้านี้แตะต้องผู้หญิงไม่ได้นี่ขณะเป็นเมืองพุทยังไม่รู้เรื่องนี้เลยพยาบงพยาบาลเวลารักษาพระก็จะมาจับปลอดจะมาะจะมาจับชีพรจระจะมาแตะเนื้อต้องตัวนี่มันผิดพระวินยัย ถ้าไม่อยากจะเสียพระวินัยจะยอมเสียร่างกายเพราะร่างกายไงมันก็ต้องเสียท่านจึงมักจะไม่อยากจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาที่วัดไปตามบุญตามกรรมตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็จะได้รู้ว่าหลุดหรือไม่หลุดคนเราจะหลุดไม่หลุดก็อยู่ตอนที่ใกล้ตายนี่แหละถ้ายังไม่หลุดก็จะรู้ตอนนั้นถ้าหลุดแล้วก็ไม่เกี่ยว แต่ถ้ายังไม่หลุดก็ต้องรอตอนนั้นดูว่าจะหลุดหรือไม่หลุดจะปล่อยร่างกายได้หรือไม่ได้คําถามจากคุณไพโรธค่ะผมเคยอกหักรักแรกเสียใจมากยิ่งยิ่งเสียใจยิ่งอยู่กับทุก์เช่นฟังเพลงเศร้าจมกับความเสียใจทําให้มันเศร้าเสียใจมากขึ้นมากขึ้นเป็นเวลาสองสปีแต่วันหนึ่ง เกิดปิติแผ่ซ่านไปทั้งตัวเบาสบายและมันตัดความรักขาดถึงไม่คิดถึงความรักและเสียใจอีกเลยอยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็มันหมดนี่แรงที่จะไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมามันหมดกำลังไปอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมันหมดไปมันก็เลยกลับมาเป็นปกติแต่ถ้ามีพุโทโธนี่มันอาจจะหายเร็วกว่า เหมือนแผลเหมือนแผลร่างกายนี่ถ้ารักษาไปเดี๋ยวมันก็หายถ้าไม่รักษามันก็หายแต่หายช้าถ้าแผลใจนี้ถ้าเราใช้ธรรมโอสถนี่อาจจะไม่ไม่กี่วันก็หายหรือถ้าเป็นยาถ้าเป็นยาที่เข้มข้นก็อาจจะไม่เป็นอะไรเลยเวลาสูญเสียอะไรไปพอมีธรรมะเข้ามาปั๊บนี่มันจะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าโศกเสียใจเลย แต่ถ้าไม่มีธรรมะเลยมันก็ต้องปล่อยให้มันรักษาให้เวลาเป็นเครื่องรักษาแผลใจไปบางคนก็นานหน่อยบางคนก็สั้นหน่อยแต่ถ้ามีธรรมะธรรมะก็มีหลายระดับถ้ามีสมาธิมีพุทโธมีสติมันก็ระงับดับได้ระดับหนึ่งถ้ามีปัญญานี้มันก็จะทำให้ไม่เกิดความทุกข์ใจเลยยังควรที่จะรีบเข้าหาธรรมะกัน เพราะว่าโอกาสที่จะต้องผิดหวังที่จะต้องอกหักยังมีอีกตราบใดที่เรายังไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่เพราะคนอื่นนี้เขาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้รักเราวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็เกลียดเราได้หรือไม่เกลียดเราแต่ก็ตายจากเราได้ยิ่นขอให้เราเตรียมตัวเตรียมใจ เอาธรรมะเข้ามาสอนใจกันเพื่อไม่ให้ไปยึดไปติดเม่ให้ไม่ให้ไปรักไปหลงกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเมื่อไม่มีความรักแล้วต่อไปมันจะไม่มีความเสียใจค่ะคำถามจากคุณสมพิธค่ะอยากทราบพิธีวางใจเวลามีคนอื่นบน่นหรือมาเล่าเรื่องคนอื่นให้ฟังโดยที่เราไม่อึดอัดหรือวุ่นวายใจค่ะเคยเดินหนีค่ะ ก็คิว่าเราเป็นจิตแพทย์สิที่มริกานี้เขาจิตแพทย์นี้เขานั่งฟังให้คนมาบุญเขได้ช่วยงงเราร้อยเหรียญเขาก็นั่งฟังได้เราไม่ได้ร้อยเหรียญเราก็คิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปก็แล้วกันเวลาเขามาบุญเราเป็นจิตแพทย์เราก็นั่งฟังไปว่างไงมีอะไรว่ามาเอก า, ายเขาเป็นอะไรบุญไปเอเราจะฟังแล้วดีไมด่ดีอาจจะเอากระปุกวางไว้ข้างหน้าเขาก็ได้ เบื่อเขาจะเมตตาจะได้หยอดเหลืยให้ทำตัวเป็นจิตแพทย์แล้วก็จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายคิดว่าช่วยช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาแล้วกันเขาไม่มีที่โปรงไม่มีที่ปล่อยก็เลยต้องมาสายเราเราก็นั่งฟังไปคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานให้กับเขาไปคำถามจากคุณบ๊อบบี้ค่ะ หากพิจารณาปล่อยวางขันห้าได้แล้วการพิจารณาอสุภะจะถูกวางลงโดยอัตโนมัติเป็นเหตุเป็นผลเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือไม่ครับหรือต้องแยกพิจารณากันเป็นสัตว์เป็นส่วนต่างหากครับก็มันเป็นข้อสอบคนล ข, ข้อกันเนี่ยร่างกายคือความเจ็บก็ข้อหนึ่งความตายก็ข้อหนึ่งเนี ความรักใครในร่างกายของคนอื่นก็อีกข้อหนึ่งมันเป็นสามข้อที่เราจะต้องไปทาข้อสอบว่าเรากลัวเจ็บไม่ยังกลัวเจ็บอยู่หรือเปล่ายังกลัวตายอยู่หรือเปล่ายังรักยังชอบคนนัน้ค น, น, นคนนี้อยู่หรือเปล่านี่มันเป็นข้อสอบที่เราจะต้องทำเราจะต้องไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่รักไม่รักใครอยู่คนเดียวได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเว ไมมม่ต้้อององีหนขาคำถามจากคุณคมสอนคะ่ะการนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงก่อนนั่งควรสวดมนต์บทไหนบ้างครับและควรทำอย่างไรบ้างเมื่อนั่งครบเวลาแล้วก่อนออกจากสมาธิและหลังจากนั้นควรทำอย่างไรบ้างครับขอทราบแนวทางที่ถูกต้องคือการนั่งสมาธินี่ จะสวดมนต์ก่อนก็ได้ไม่สวดก่อนก็ได้การที่สวดก่อนก็เพราะว่าบางทีนั่งแล้วมันนั่งไม่ได้ให้อยุดดูลมมันก็ไม่ยอมดูให้พุทโธไม่ยอมพุทโธก็เลยต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนเพราะใจมันชอบคิดมันชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูลมมันก็ไม่ยอมดูมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พุทโธมันก็ไม่ยอมพุทโธอย่างนี้ก็เอามันมาคิดตามบทสวดมนต์แทนสวดไปยาวๆสวดจนกว่าใจจะ เหนื่อยไม่อยากจะคิดเมื่อมันไม่อยากจะคิดแล้วเราก็หยุดสวดแล้วเราก็มาดูลมหายใจต่อได้ใจก็จะสงบได้แล้วเวลานั่งก็ไม่ต้องไปตั้งนาฬิกาถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปตั้งนาฬิกาเราไม่ได้นั่งเพื่อเอาเวลาเรานั่งเพื่อเอาความสงบเอาผลถ้าจิตสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานถ้ามันไม่สงบเดี๋ยวมันก็ทนนั่งไม่ได้ แล้วก็ก่อนจะนั่งหรือหลังนั่งก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆต้องควบคุมความคิดให้ได้มันพุทโธพุทโธไปเรื่อยอย่อยาคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันอยากคิดบน่นอยากคิดอยากได้สิ่งนู่นสิ่งนี้ถ้าจะคิดก็คิดแตเฉพาะเรื่องงานที่ต้องทําเท่านั้นนอกนั้นก็อย่าไปคิดให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเวลานั่งมันจะได้สงบง่ายไม่คิดเรื่องราวต่างๆ แ้วหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญสติต่อก็ได้หรือจะให้คิดไปในทางปัญญาก็ได้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราต้องปล่อยวางอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายจายตามมา ถ้าไม่ใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็นพิจารณาไตายรักษณ์ไม่เป็นก็ให้พุทโธต่อไปควบคุมรักษาใจต่อไปไม่ให้คิดเหมือนกับตอนก่อนที่มานั่งจนกว่าจะถึงเวลานั่งต่อไปก็ก็ทําอย่างนี้ไปนี่คือวิธีการปฏิบัติก่อนนั่งก่อนนั่งหลังจากที่นั่งสมาธิก็คือให้เจริญสติถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องเจริญสติก่อนเพราะถ้า จเจริญปัญญามันจ ะ, จะเจริญไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านมันจะไม่สงบต้องใช้สติแทนต้องใช้พุทโธแทนให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบได้ถ้าไปใช้ปัญญาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกิเลสไปโดยไม่รู้สึกตัวนิจนาไปแทนที่จิตจะสงบกับฟุ้งซ่านขึ้นมางั้นไม่ควรจะใช้ปัญญาควนจะใช้สติก่อนแต่หลังจากที่มีสมาธิแล้ว ถ้าอยากจะใช้ปัญญาถ้าใช้ได้ก็พิจารณาปัญญาได้พิจารณาร่างกายก็ได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราพร้อมที่จะให้มันแก่มันเจ็บมันตายหรือไม่มันไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเพราะเป็นถ้าไปคิดว่าเป็นของเราเราก็จะไม่อยากให้มันแก่มันเจ็บมันตายถ้าคิดว่าเป็นของคนอื่นเราก็จะไม่ไม่รู้สึกอะไรมันจะแก่ก็เรื่องของมันมันจะเจ็บมันจะตายก็เรื่องของมัน เราก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันนี่คือปัญญาทำได้ทั้งสองอย่างถ้ามีสมาธิแล้วถ้ายังไม่มีสมาธิก็ควรที่จ ะ, จะเจริญสติไปก่อนจนกว่าจะได้สมาธิแล้วถึงค่อยจเจริญปัญญาต่อไปคําถามต่อไปค่ะปกติก่อนในหลวงท่านจากสวรรคตผมสวดบทศัตติวัฏสะราชกาละ วาราธานะคาถานี้ให้ท่านทุกวันหลังจากนี้ไปควรสวดบทอะไรใช้บทเดิมได้ไหมครับสวดอะไรไปท่านก็ไม่ได้หรอกที่สวดนี้สวดให้กับเร า, างไงใช่ไหมอย่างนีก็เราไม่ต้องสวดเองเวลาเราอยากจะได้เราก็ให้คนอื่นสวดให้เราการสวดนี้เป็นการสวดเพื่อทาใจให้เราสงบ เปนอุบายของการฝึกสติสมาธิแทนที่จะมานั่งคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวลห่วงใยกับในหลวงเราก็สวดนมนต์ถวายท่านไปพอสวดแล้วเราก็สงบใจเราก็สบายรับกับความพัดภาคจากกันได้แต่ถ้าไม่สวดมาแต่วิตกกังวลมีแต่ความอยากไม่ให้ท่านจากไปเวลาท่านจากไปก็จะเสียอกเสียใจฉะนั้นการสวดนี้ไม่ได้สวดเพื่อในหลวงหรือสวดเพื่อใคร การส่วนนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติเพื่อใจของเราเท่านั้นคำถามจากคุณจิราพรค่ะขณะที่โยมหลับตอนกลางคืนแลมารู้สึกตัวอีกครั้งประมาณตีสองกว่าตอนที่โยมลืมตาขึ้นมาปากของโยมอ้าค้างอยู่เจ้าค่ะโยมมีสติรู้ตัวตลอด แต่เงียบสงบมากๆไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิ้นสักไม่เกินหนึ่งนาทีโยมเห็นเป็นดวงๆพร้อมกลุ่มควันดำๆเคลื่อนจากข้างนอกเข้าไปในปากโยมโยมรู้สึกถึงการเคลื่อนเข้าสู่ร่างกายของโยมทั้งหมดแล้วโยมก็กลับมาได้ยินเสียงและมีความรู้สึกภายในร่างกาย โยมเป็นอย่างนี้มาสามครั้งแล้วเจ้าค่ะอยากทราบว่าเป็นอาการอะไรเจ้าคะโยมควรจะทําอย่างไรเจ้าคะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปสนใจมันเกิดแล้วก็ดับไปถ้ามันไม่ได้มาทําให้เราดีขึ้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ถ้ามันทําให้เราดีขึ้นทําให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ก็เอามาเอามาใช้มันถ้า ได้มันมาแล้วทำให้เราไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายได้เราก็เอามาใช้แต่ถ้าเอามาแล้วไม่ไม่มีประโยชน์อะไรก็อย่าเอามาให้เสียเวลาก็ปล่อยมันไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของจิตใจที่มันจะทาอะไรจะผลิตอะไรขึ้นมาได้โดยที่มันไม่มีใครไปสั่งมันได้ มันอยากจะผลิตอะไรขึ้นมาบางทีมันก็ผลิตขึ้นมาเวลาที่เราไม่มีสติมันก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติมันก็จะหายไปขณะที่มันโผล่ถ้าเราอยากจะให้หายไปเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปหมดแล้วน ะ, ไ ม, ะไม่เป็นไรก็ตามมีตามเกิด กนนีิจังเนี่ยทุกขังอนัตตาเนี่ยแข้งขาเราเปนการดิจังทุก ข, งาาขังขนอ น, นัตาตาเหมือนกันะบอกตะคิวอยากกินอีกแล้วขออภัยด้วยต้องเยียวยารักษากันปัจจุบันทันด่วนนะมีสามมีสามคำถามนะครับคำถามแรกจากคุณด็อกเตอร์พิสิทธ์มีคนถามผมว่า ไหนว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วออกกําลังกายทำไมลดอาหารมันลดอาหารหวานทำไมผมจะอธิบายเขาว่าอย่างไรครับมันเป็นร่างกายของเราชั่วคราวไงมันไม่ใช่ร่างกายที่ถาวรขณะที่มันยังรับใช้เราอยู่เราต้องใช้มันอยู่เราก็ต้องทำนุกนบ ร, รุงรักษาเหมือนกับรถยนต์ไะรถยนต์มันก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวสักวันมันก็พังไปเวลาพังมันก็กลายเป็นของเชียงกงไป เราไปขายทอดตลาดไปขายชิ้นส่วนไปแต่ตอนที่เรายังใช้มันอยู่เราก็ต้องพามันเข้าอู่ใช่ไหมก็มีกําหนดเวลาว่าจะต้องเข้าไปบํารุงรักษารถยนต์ต้องไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองไปตรวจเช็คสภาพอะไรต่างๆร่างกายก็เหมือนรถยนต์ที่เรายังต้องดูแลอยู่เพราะเรายังต้องอาศัยใช้มันทําประโยชน์อะไรต่างๆอยู่ แต่เรารู้ว่ามันสักวันหนึ่งมันจะต้องไม่เป็นของเรามันจะต้องกลายเป็นของสับเปลือกไปเพราะมันเป็นของสับเปลือกเราก็ไม่ต้องไปดูแลแล้วตอนนี้สับเปลือกมาขอร่างกายนี้ไปก็ไม่ต้องไปกินข้าวไม่ต้องไปอาบน้ําให้มันแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่ไปสับเปลือกยังไม่มารับไปเราก็เลยยังต้องดูแลรักษามันต่อไปก่อนถ้าไม่รักษาเดี๋ยวสับเปลือกมันจะมาเร็วกว่าเวลาที่ควรจะมา คำถามต่อไปจากคุณสุภมาศครับการผิดศีลในข้อสามนอกจากมุสาแล้วมีอะไรบ้างและมีโทษอย่างไรคะไม่มีก็มีแค่มุสาท่านอย่าพูดปลดให้พูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็หุบ ป, ปากเสยอย่าพูดก็จะไม่ผิดศีลข้อสามอย่ามาอ้างว่าโอโกหกว่าจะได้เขาสบายใจ โกหกเมียว่าไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็บอกไปทํางานนี้เมียจะได้สบายใจโกหกแบบนี้ไม่ควรจะทำเดี๋ยวเขาจับได้เขาก็จะเสียใจถ้าเราสารภ า, ภาพเสียเราก็จะได้ไม่ต้องทําอีกต่อไปถ้าโกหกมันก็จะทําต่อไปเรื่อยการปกปิดความชื่วของเราก็เพื่อที่เราจะได้ทาความชั่วต่อไปการสารภาพมันจะทําให้เราได้ยุติการการะทาความช่วของเรา เวลาเขาจับผู้ร้ายมาลงโทษนี่เวลาถ้าสารภาพเขาก็ลดโทษลงครึ่งหนึ่งเพราะว่าอ่อ ย, อย่างน้อยเขาสำนึกผิดเขาจะไม่ทำอีกต่อไปเขายอมรับผิดแต่ถ้ายังมายืนยันยังมาโกหกว่าไม่ได้ทำนี่เขาก็จะลงโทษเต็มที่เพราะไม่เข็ดหลาบเพราะจะต้องไปทำอีกเพราะจะต้องโกหกไปเรื่อยๆคำถามต่อไปจากคุณขวัญตาครับ ผวังที่รู้ตัวและผวังที่ไม่รู้ตัวเป็นอย่างไร<า>จะเข้าาวะจะเข้าฌานนั้นมีการสอนว่าให้ผ่านผวังด้วยเป็นอย่างนี้จริ ง, รงๆหรือมีในพระไตรปิฎกอย่างไรก็ผวังที่รู้ตัวก็คือสมาธินี้ผวังที่ไม่รู้ตัวก็ผวังหลับไม่มีสติถ้ามีสติก็เป็นสมาธิจิตสงบถ้าไม่มีสติจิตสงบแต่มันก็หลับไปไม่รู้สึกตัว ต อ, ตอนนี้เหมืาคําถามครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมความจริงก็ถามกันมาเยอะแยะไปหมดแนละ้วทุกวันจนไม่รู้ใครอยากจะไม่รู้ใครจะถามอะไรแนละ้วถามกันทุกแง่ทุกมุมเะก็ดีมันคําถามมันก็เดี๋ยวนี้ก็เลยน้อยลงไปเรื่อยๆแสดงว่าทุกคนมีความรู้เพิ่มเติมมีความเห็น ถูกต้องความสงสัยต่างๆเบาบางลงอันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์จากการฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องนั่นเองการฟังธรรมที่มีอ น, นิสงฆ้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน2ธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นสจะทาให้เกิดความ ส, สงสัยต่างๆหายไปได้ สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องห้าจะทำให้มีความสงบนี่คือประโยชน์ดังนั้นความถามต่างๆเดี๋ยวนี้จะน้อยลงไปเรืเ่อยๆเพราะาถ้าเป็นคนเก่าที่เคยฟังอยู่แล้วฟังอยู่เรื่อยมันก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ถามแล้วถ้าถามก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเมื่อไหร่จะปฏิบัติกันสักทีชอบเราถามวิธีปฏิบัติกันหน้ากันหนาะ แต่ตัวเองไม่เคยถามตัวเองว่าแล้วเราจะไปปฏิบัติกันเมื่อไหร่เราจะไปปีกวิเวกันเมื่อไหร่จะไปถือศีลแปดอยู่สักห้าวันเจ็ดวันเมื่อไหร่กันสักทีต้องถามตัวเองบ้างสิมาถามแต่คนอื่นถามแล้วตัวเองไม่ปฏิบัติถามไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าในที่สุดเราต้องมาถือศีลแปดมาภาวนากันมันถึงจะเจริญก้าวหน้าถ้าเราไม่มาถือศีลแปไม่มาภาวนาไม่มาปีกวิเวกกั มันก็อยู่ที่เดิมเหมือนกับดูแผนที่ดูแผนที่แล้วไม่ออกเดินทางมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปดูแผนที่แล้วรู้ทางแล้วก็ต้องออกเดินทางแต่ถ้าไม่ได้ดูแผนที่ถ้าออกเดินทางเดี๋ยวก็หลงทางได้ ฉะนต้องดูแผนที่ก่อนต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมก่อนอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามเพื่อจะได้ไม่หลงทางเวลาเราจะเดินทางถ้าเราไม่ยังไม่มั่นใจในทางเราก็ต้องถามคนที่เขารู้ทางก่อนว่าไปตรงนี้ไปอย่างไรถึงตรงนี้เราจะต้องทําอย่างไรก็ถามได้ช่วงที่เรายัางศึกษาอยู่เมื่อเราถามแล้วรู้แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรขั้นต่อไปก็ต้องออกเดินทางกันแล้วล่ะ ถ้าไม่ยังเดินทางเดี๋ยวความรู้ที่เราเรียนรู้มามันก็จะหายไปเดี๋ยวก็จะลืมได้แต่ถ้าเราเดินทางแล้วมันจะไม่ลืมเพราะเราจะจําทางได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาถามใครพระพุทธเจ้าพระสาวกนี้ท่านไม่ต้องถามใครเพราะท่านจําทางได้ท่านรู้ทางท่านเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วท่านสามารถบอกทางนี้ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไม่มีความลังเลสงสัยเลย ดั ง, งนั้นการสังเทศสังธรรม น, นี้มันเป็นขั้นที่หนึ่งที่เราจะต้องตามต่อด้วยขั้นที่สองก็คือการปฏิบัติเนี่แล้วถ้ามีการปฏิบัติแล้วเดี๋ยวขั้นที่สามก็จะตามมาคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็ไปสู่ขั้นที่สี่ต่อไปได้ก็คือการสั่งสอนผู้อื่นได้เผยแผ่ความรู้ที่เราได้จากการปฏิบัตินี้ให้แก่ผู้อื่นได้ วาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตินี้เป็นความรู้ที่แท้จริงน่าจะไม่มีวันลืมมันจะอยู่กับใจเราไปตลอดเหมือนจกักเหมือนกับที่เรารู้จักทางเดินมาที่นี่แล้วเราก็สามารถบอกคนอื่นให้มาที่นี่ได้หรือถ้าเราจะมาเองกี่ครั้งเราก็จะมาได้เพราะเรารู้ทางเราจะไม่ลืมไม่หลงดังนั้น ก็ขอให้นำเอาธรรมทีท่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเอาไปปฏิบัติกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ